แต่พอเห็นหลายหนเข้าเพื่อนเด็กๆทุกคนก็รู้ว่าไอ้มาร์เกลียดจิ้งจกแล้วก็ตุ๊กแกที่บ้านของไอ้มาร์กน่ยไม่มีจิ้งจกซั ก, กตัวมันไล่ตีตายจนหมดไอ้แก้วเล่าให้ผมฟัง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 ไอ้มักตายไป2เดือนแล้วนะย่ายอดพูดขึ้นตอนเห็นหน้าผมผมใจหายว่าทําไมไม่มีใครส่งข่าวให้ผมรู้สักคนคราวนี้ผมเอาหนังสือการ์ตูนที่ไอ้มักชอบมาฝากมันหลายเล่มเวลามาบ้านปู่อ่ําผมก็ต้องถามถึงมันก่อนใครนี่ยังไม่ทันถามถึงไอ้มักย่ายอดก็พูดขึ้นก่อนหน้าอสงสารมันย่ายอดพูดผมรู้จากปากยา่าว่าไอ้มักไปเล่นน้ําในแก่งและถูกจระเข้กัด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 น้า ก, กิ่งไม่ได้เล่าให้ฟังหรอกูยังไม่ได้ไปบ้านไอ้มาร์กเลยไหนเล่าให้กูฟังหน่อยสิวันนั้นเนี่ยกูไปเล่นน้ํามันก็ไปด้วยตรงสวนสักหัวโคง้งจวนจะขึ้นแล้วละ่ะมันก็ร้องบอกว่าถูกอะไรกัดขึ้นมาจากน้ําขาเวะไปทั้งข้างเลยเลือดกรโกระหน้าเสียวไส้ผมนี่เสียววา่าตรงนั้นเป็นที่ประจําที่พวกเราชอบไปเล่นน้ําบ่อยๆซึ่งเป็นวังน้ําลึกแต่ว่ามีหาดทรายกว้างริมฝั่ง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 ผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแม้แต่ปู่อ่ำกับย่ายอด